วันที่สิบสามกะถินพิมายนักศร้ายญาติโยมก็โหมากอยู่มาจากญาตุรทิษแต่ตุตปใจก็องก์ะถินก็ได้มากอยู่เพราะว่าจะได้ซ่อมแซมเสนาสนะถนนหนทางห้องน้ำห้องท่าอะไรที่น้าท่วมน้ำท่วมมากนะพิมายพระในวัดบินฑบาตไม่ได้ ได้นั่งเรือยนต์ไปสิบกว่าวันน้ำท่วมคนครราชสีมาเป็นประวัติการ์เป็นประวัติศาสตร์ในการที่น้ำท่วมคนครราชสีมาปีนี้ปีห้าสามแล้วก็น้ำท่วมพิมาอีกยานี่ตายหมดนะในวัดนะมีแต่ต้นไม้ต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยที่พวกไม้สัตวนะ์เนี่ย ไม่เหลือเลยว่างั้นมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่เป็นไม้ในทุ่งนาเขาอยู่แล้วเออก็ทนทนน้ำอยู่ก็ไม่ค่อยตายมากเท่าไหร่ดูๆก็ยังเขียวสุงมแล้วก็วันที่สิบสามทอดวันที่สิบสี่พักพรพักผ่อนเพื่อจะเดินทางกลับวันที่สิบห้าะหลวงพ่อมีนัดหมอ ตรวจเลือดเกี่ยวก็จะทำตาเกี่ยวก็จะทำตาอะไรนัดหมอที่ข้นแกนมาชันที่ข้นแกนวันที่สิบนาสิบห้าเมื่อวานเะนียมาตรวจตาจริงเลเซอร์อีกแลว้วก็ตรวจหาไขโพงไขมันอีกตวกตัวมันก็เจอ น, นวะวะเพื่อจะไปผ่าตาัดตา หมอเขาก่อนที่จะพาตัดตาเปลี่ยนต่อกระจกก็ต้องให้ตรวจเลือดซะก่อนก็เลยปฏิบัติตามหมอเขาเมื่อวานพอนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลทางโยมทางอุดรก็โทรศัพท์เข้าไปบอกโยมที่ติดตามบอกว่ารวงตาไม่ค่อยสบายมาตั้งแต่วันที่สิบสองนั่นะสืบเนื่องมา แต่วันนี้มื้อเช้าเนี่ยไม่ได้บินทบาทเราก็เลยได้ชาวข่าวแล้วก็โทร ก, กลับไปถามเดี๋ยวนั้นเลยอาการเป็นยังไงฟังๆแล้วอูอาการลวงตาหนักจู่ไอเจียนหลายครั้งอายุมากขนาดนั้นไอเจียนเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีจากนั้นพอหลวงพ่อตรวจตรวจตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พบคณะแพทย์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 ควรจะปรึกษาปารบกันควรจะหาหรือกันให้เป็นเอกฉันไม่ใช่ว่าคนนี้โยในให้คนนั้นคนนั้นโยในให้คนนี้หลวงตาไม่ใช่ของผู้ใดไม่ได้นะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคือหมอทุกคนต้องรับผิดชอบเพราะหลวงตาเป็นพระสาธารณะเป็นผู้เป็นผู้มีคนูประการต่อประเทศชาติไม่ต้องบรรยายหรอกพวกเรารู้แก่ใจคืออะไร ครับพวกเราไม่รู้ลราใครจะรู้คุณูปการของลุงตาเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะหมอทุกท่านนะไปไปชุมหารือกันจะรักษาลุงตายยังไงแต่นี้เขาก็เลยบอกกันทั้งคณะบอดีทั้งพอ อ, อ่าทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลอุดร ก, ก็หมอเกี่ยวข้องก็าเอาไปด้วยทั้งสิริราชก็เอาขึ้นมาหมอเกือบสิบมั้งห้าหก หมอหกเจ็ดหมอดูโมวานหมอใหญ่เกี่ยวกับทางเดินอาหารลำไส้ขึ้นมาเมื่อวานมองดูแล้วหมอประชุมกันเกือบสามสิบหมอเมื่อวานอาจจะเกินก็กไม่รู้ว่างั้นแต่พอมันนั่งเต็มไปหมดเลยแทบนะั้นหลวงพ่อก็เลยรำพบทกันนี่หมดพระที่เกี่ยวข้องมารายงานว่าหลวงตา ป่วยข่าวนี้ต้องเป็นมาแต่แต่งแต่เมื่อไรมีอาการอย่างไรบ้างพระท่านก็เลยรายงานบอกให้หมอดได้ทราบพร้อมหน้ากันจากนั้นหมอทั้งหมดฟังแล้วหลวงพ่ออ้อาวกห้พออโรองพยาบาลศูนย์อุดรที่ติดตามงานรงตาทุกวันในความรู้สึกเป็นยังไงที่ได้มาพบมาเจอมาเห็นทุกวัน แจ้งให้คณะหมอทั้งหลายได้รับทราบด้วยแต่นี่ก็พอ อ, อ ก, ก, กับท่านก็บรรยายว่าความเป็นมาของหลงตาตั้งแต่ป่วยรักษามาจากนั้นก็หลวงพ่อก็ให้เอาจาัดหมอเพิ่มเติมอะไรไหมที่พอ อ, อพูดไปเนี่ยที่จะให้คณะหมอทั้งหลายได้รับทราบทีวมาที้แจงออกมาจากนั้นก็บอกให้ หมอศรีนครินอาจารย์หมอที่รักษาลงตามานมนานต่างกล้าต่างวาระมีอะไรบ้างที่จะมันมีมีผลสืบเรื่องที่จะชี้แจงให้คณะหมอทั้งหลายรับผู้รับทราบมีไหมออาจารย์หมอคนละพูดยาวเลยจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยเมื่อได้ยินพร้อมกันแล้วคณะหมอทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วอาจารย์หมอทงางศิริราชจะวางแผนรักษาอย่างไรีน ร่วมกันทางหมอสิริราชก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็จะให้นิมนต์หลงตาไปสแกนคือเอ็กซเรทั้งร่างอยงนั้นเถอะแบบเข้าไปในอุโมงค์อย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นได้จะดีที่สุดหมอจะได้มิตรเฉยได้ถูกต้องเห็นได้ชัดว่าเป็นอะไรอธิบายจบแล้วหลวงพ่อบอกว่า ที่จะนิมนต์ลงตาเข้าไปในโรงพยาบาลนั้ที่ผ่านๆมาเนี่ยหยุดคิดได้ไม่ได้ลงตาไม่ไปในเมื่อลงตาไม่ไปแล้วขั้นตอนต่อไปพวกเราจะร่วมกันรวมหัวกันรวบใจกันใจของคุณหมอทั้งหลายเนี่ยจะรักษาอย่างไรขั้นตอนต่อไปในเมื่อลงตาไม่เข้าโรงพยาบาลเมื่อลงตาปฏิเสธแต่เด็มาถกเทียงกัน อทําความเข้าใจกันแนวเป็นไปได้เออใช้เวลานา น, านพอสมควรเนะมื่อวานเเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยมาถึงบัดป่าบรรดาประมาณสี่ห้าโมงมัเมื่อวานสี 4, 5, 5, ่โมงห้าโมงก่อจบประชุมเสร็จเกือบสองทุมจากนั้นหลวงพ่อก็เลยขึ้นไปกราบหลวงตาไม่ได้กราบเราไม่ไม่ได้ขึ้นไปพบท่านเรกท่านนอนอยู่ในห้องแนละแต่เขาเปิดหน้าต่างไว้ก็เลยเข้าไปมองๆดูท่านก็นอนพัก มีแต่เหนื่อยว่างั้นมีพระสององค์เขาอยู่เขาไปปนในบัตรไปดูแลท่านใกล้ๆแต่มได้จุดไฟสว่างอะไรหลวงพ่อก็เลยไปกราบแต่ข้างนอกพอกราบเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยกราบลาท่านกลา บ, บาวัดประวันมาถึงวัดกนะันสี่ทุ่มเมื่อคืนสี่ทุ่มกว่าๆนี่แหละอันนี้ก็คือ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 สุขภาพร่างกายปันป่วนก็ว่ากันทีนี้ตามวิเคราะห์ของหมอหลวงพ่อกับผู้ฟังนะสรุปแล้วหลวงพ่อเหวินนะคณะสงฆ์ทั้งหลายหมอบความไว้ฟังใจกับคณะอาจารย์หมอทั้งหลายทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้คณะอาจารย์หมอทั้งหลายให้ปรึกษากันเนีเพราะว่าอันนี้คือหน้าที่ของหมอแหละไม่ใช่หน้าที่ของพระละหน้าที่ของหมอเพรา ะ, ะนั้นหมอทุกท่าน จะรักษาโรงตายยังไงในครั้งนี้ในคราวนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเข้าไปไม่ใช่นะให้ใครรวมกันซะก่อนจะให้ใครเป็นผู้เข้าไปรักษาโรงตาไม่ชอบนะละรุมล่าต่างคนต่างไปตรวจต่างคนต่างไปทำต้องมีคนเดียวหรือสองคนแต่ว่าในสองคนนั่นกกลุ่มใหญ่ก็ต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกันซะก่อนจะนนนให้สองคนเข้าไปรักษายัางไง แต่หมอทั้งหลายลงมติกันเมื่อวานบอกวะ่าหลวงตาน้ําอยู่ในท้องมากคือตามปกติคนเราเนี่น้ําอยู่ในตัวคนเราเนี่ยสิบลิตรน้ําหมุนเวียนในร่างกายเนี่ยสิบสิบลิตรเป็นอย่างน้อยแต่หลวงตาน้ําอยู่ในท้องฝ้าผนังลําไส้ฝ้าผนังกระเพาะมันไม่ซึมซับน้ําอยู่ในท้องก็ทําให้เวลาทานอาหารเข้าไปกอาจเจียนออกมา เพรมันน้ําในท้องมันเต็มอยู่แล้วมีทางเดียวต้องให้หลงทางงดอาหารไม่ให้หลงทางฉันอาหารเลยเราเอาอาหารเข้าทางเส้นเลือดพวกวิตามินโปรตีนนเอเอาเข้าทางเส้นเลือดไม่ใหเ้เอาเข้าทางกระเพาะถ้าเข้าทางเอาทางทางฉันอาหารเนี่ยมันจะอาเจียนออกมาทันทีหมออธิบายเป็นไปได้ไหมขอให้พระให้ความร่วมมือ แต่หลวงพ่อก็เลยให้ความเห็นว่าการไม่จริงแนวความคิดของหมอมันก็ถูกต้องแต่ว่าจะลงมือปฏิบัติอย่างนั้นน่ะลูกศิษย์ลูกหาลงตามีมากนะเดี๋ยวก็จะให้โอ้โหลงตาขนาดที่ยังไม่ให้ฉันอาหารอีกลงตาหิวอาหารไม่ให้ลงตาฉันอาหารอีกเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจผิดกันอีกเลยทําไมหมอจึงทรมานลงตาถึงขนาดนี้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 ความเห็นว่าการรักษาลุงตานี่ต้องรักษ า, อ ย, าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แจกไปแล้วก็ห้ามคนเยี่ยมอีกต่างหากถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นลุเพาะว่าความกดดันของคณะสิทธิ์ทั้งหลายก็คงจะคงจะรู้เรื่องกันแต่ถ้าว่าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วมีแต่คิดในใจของใครของเราเนี่ยโอ้ปัญหาแน่ๆนะลูกศิษย์ลุงหาลงตานี่มาก นี่แหะคือได้หาเรื่อกันในวงกว้างเมื่อวานนี่ก่อนที่จะลงเอ่ยกันได้จากมั้นหลวงพ่อยังไม่ไม่ได้ฟังอะไรแต่คณะหมอเขาก็หาเรื่อกันอีกต่ออีกนั่งสมกันอืออีกว่างั้นเถอะเพื่อหารือกันแต่ของพ่อกขาได้ออกมาก่อนเมื่อวานนี่นี่แหละวันนี้คิดว่าจันยังหันเสร็จอันมีอะไรหลวงพ่อเขาคงจะ บอกถามข่า ว, าวไปทางบ้านตาัไม่มีอะไรถ้ า, าการหลวงตาดีขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าหลวงตาไม่นั่นหลวงพอ่งพออาจจะเข้าไปกราบองหลวงตาอีกใ น, นวันนี้จะทำยังไงได้ล่มโพล้มใสเพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างน้อยเราเป็นศิษยานุศิษย์ลูกหลานถึงจะไม่เป็นหมอเป็นแพทย์เราก็กลจะเข้าไปช่วยกันช่วยกันแนวความคิด แต่จะไปทำจะไปช่วยกันให้ท่านหนักใจท่านนะเข้าไปแล้วให้ไปทะเลาะกันคนนั้นกัดคนนี้คนนี้กัดคนนั้นน่ะยุ่งเหยิงวุง่นวายไปหมดนะอันนั้นเข้าไปไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทาให้ท่านหนักใจเเราเข้าไปทําให้ท่านเบาใจถ้าเข้าไปดูแล้วอมันจะเป็นเรื่องหนักใจสําหรับหมู่เพื่อนศรัทธาญาติโยมแล้วก็เป็นที่หนักใจเรารีบออกอย่าให้กลุ่มท่านหนักใจ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 คิดว่าตัวเองเข้าไปแล้วจะเบาใจทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ได้คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะให้หลวงพ่อได้คิดแต่เมื่อวานเนี่ยก็หลวงพ่อเป็นผู้เชื่อมโยงคณะแพทย์คณะหมอแต่ทางว่าหลวงพ่อไม่เชื่อมเข้าไปหมอคอนแกนก็กดไม่รู้จะพูดยังไงหมอศิรีลาชไม่รู้จะพูดยังไงหมออุดรก็ไม่รู้จะพูดยังไง ในฐานะที่โลงพ่อเป็นพระรลงพ่อกับโยงโย ง, โงข็หากันถามเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นคนเป็นท่านเป็นท่านไปคณะผอหมอทั้งหมอศีนขรีนก็นมีทั้งคณะพอดีทั้งผ อ, อ, อมาเมื่อวานแปว่าครบทีมแล้วงั้นเห็แล้วก็ื้อแต่ไม่รู้จักการวางแผนรักษาโวงตา น, นจะออกมาในรูปลักษณะไหน หมอววันนี้จะเข้าไปติดตามดูอีกครั้งเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ดูแล้วก็น้าพิต ก, กวัวงั้นเถอะหลงตาอยู่มากแต่หลงตาเองท่านไม่มิตกท่านท่านก็บอกนะบอกกับพระบอกว่าเราจะตายเนี่ยคือหวัวใจวายครับตายนะตายกับหวัวใจวายนะเราจะตายเนยท่านบอกบอกกับพระหน่าคิดเหมือนกันนะ่ะ แต่ถึงยังไงก็ตามในขณะที่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ป่วยนะพวกเราให้ภาวนาไม่ใช่วันสนุกสนานเผิดเพลินเฮฮาไปแต่ละวีแต่ละวันเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระสงฆ์บางกลุ่มเข้าไปมลุมมตุ้มมาลุมมตุ้ ม, ม, า ม, ม, ามาบางองค์ก็พอทราบว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานปลีกตัวออกมาหาภาวนาเอาอย่างอุกฤษเลย เข้าไปเจ้าจะภาวนาให้ได้สําเร็จก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะเ อ, อพระสงฆ์กลุ่มที่เขาไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก่นเนี่ยพระเ อ, อไม่เข้ามาอยู่ใกล้เลยทั้งที่ ร, รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานทําไมไปหาหลบกลีดเล่นอยู่ตามลําพังไม่เข้ามาดูแลช่วยหมู่พวกเพื่อนตนําหนิเออ องที่อยากได้หน้าก็คงจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่พระพุทธเจ้าเอาเรียกมาสิทำไมพวกนั้นก็คงจะดีใจพระพุทธเจ้าเรียกมาก็คงจะด่าว่าพระองค์นี่เนะคุณเนี่ยไม่รู้จกักเลยเราจะตายอยู่แล้วท่านไปหาหลบหลีกไปอยู่ทำไมทำไมไม่มาดูมาแลกับหมู่พวกเพื่อนหนีอย่ามาใกล้เล่าเลยพระสงฆ์ก็คงจะให้พระพุทธเจ้าวางอันน ลุกสิทธิ์เทวทัตหมู่กลุ่มเทวทัตที่ว่าอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ถามทำไมเธอจึงไม่มาดูในเมื่อเราก็ป่วยจะปรินีาพานอยู่แล้วพระองค์นั้นก็บอกว่ากระผมรู้รเคารพเทิดทูนบูชาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าแต่ว่ากระผมจะพยายามภาวนาเพื่อจะให้ผลทุก ในขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่เนี่ยจะตัดกิเลสให้ได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปริญิพผ่านเพราะนั้นข้าพระองค์จึงหลีกไปบำเพ็ญภาวนาเพื่อจะให้พ้นทุกโดยเร็วเพื่อจะให้ทันพระพุทธเจ้าจะปริญิพผานพระพุทธเจ้าแนล่ะแหลสาธุสาธุสา ธ, สาธุเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเพระองค์เนี่ยในท่านองค์เนี้ย ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้แหละคือปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาเนี่เลิศกว่าอามิจบูชาอามิจบูชาเนี่ยคือนะพวกท่านทั้งหลายมาดูมาแลมาปฏิบัติอันนี้คืออามิจบูชาอันนี้ขอไปภาวนาเพื่อตัดเพื่อจะหาทางพ้นทุกะจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้คือปฏิบัติบูชาเรายกย่องเชิดชู ผู้ปฏบิบัติบูชามากกว่าอามิชบูชานะถูกต้องแล้วที่เธอทําอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะนี่แหละพระในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันนะเพราะดั้นพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นร่มผูร่มไส้พวกเรายังมีอยู่ก็ขอให้พวกเราภาวนายังไงถึงจะพ้นทุกยังไงถึงจะถึงฝั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์รงรวยไปแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่ธรรมดานะ ดินฟ้าถล่มนะวันเงียบเหงาไปพอสมควรนะก็ไม่ใช่ธรรมดานะรับพร น, นุ้งโมตนาให้พอน